เจ้าทุกรตรต่อไปเป็นบุรุษวัยกลางคนท่านพระครูรู้สึกคลับคลายคลับคล่าว่าเคยเห็นหน้ามาก่อนหากก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหน ผูุดนั้นกราบสามครั้งแล้วเ อ, อ่ยขึ้นว่าหลุงพ่อจําผมได้ไหมครับที่ผมกับพรนยาเข้าไปขอยืมเงินในบ้านเศรษฐีแล้วถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาต่อนหน้าลุงพ่อแต่ลุงพอ่อเมตตาผมกับพรนยาและได้ให้คนขับรถนําเงินมาให้ผมหนึ่งพันบาทถ้าไม่ได้หลุงพ่อช่วยไว้ในวันนั้นผมกับพรนยาคงไม่มีค่ารถกลับนครพนม ผมไม่เคยลืมบุญคุณหลวงพ่อเลยวันนี้ผมตั้งใจมาทำบุญกับหลวงพ่อหนึ่งแสนบาทผมขอถวายส่วนตัวหลวงพ่อจะนำไปทำอะไรก็ได้เขาถวายซองสีน้ำตาลบรรจุปัจจัยหนึ่งแสนท่านรับไปวางไว้ทางซ้ายมือแล้วพูดว่าวันนั้นอาตมามีเงินอยู่พันเดียวโยมเขาใส่ย่ามมาให้ ถ้ามีมากกว่านั้นก็จะให้โยมอีกยังพูดกับคนขับรถว่าถ้ามีสักหมื่นก็จะให้โยมทั้งหมดเศรษฐีบ้านนั้นช่างใจร้ายใจดำไล่โยมสองคนต่อหน้าพระภิกษุอาตมาไม่นิยมชมชอบคนไร้เมตตาและตั้งใจว่าจะไม่ขอไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีก ลุงพ่อรู้จักกับเขามานานแล้วหรือครับเศรษฐีจากนครพนมถามเพ่งจะรู้จักกันวันนั้นนั่นเองอัตมาไปเทศที่โรงงานยาสูบเข้ามาฟังเทศแล้วก็เลยนิมนต์อัตมาไปดูบ้านเขาบ้านออกกว้างขวางใหญ่โตแต่เจ้าของบ้านกลับคับแคบเห็นแก่ตัวไม่สมกับบ้านเลย โยมไปยังไงมายังไงล่ะถึงได้เข้าไปในบ้านนั้นได้ท่านถามผมถูกเพื่อนหลอกมาจากนครพนมครับเขาบอกว่าให้นำเงินมาลงทุนทำธุรกิจกันผมก็ถอนเงินสดมาหนึ่งล้านเพื่อจะมาลงทุนกับเขาแต่ถูกเขาหลอกเอาเงินไปหมดแล้วเขาก็หายตัวไปทิ้งให้ผมกับพันยารออยู่ที่โรงแรม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 พอดีมีลูกหนี้นำเงินมาใช้คืนหนึ่งแสผมเลยนำมาถวายหลวงพ่อผมไม่ได้คิดว่าจะถวายแค่นี้นะครับถ้าผมมีก็จะนำมาถวายอีกเพราะหลวงพ่อมีบุญคุณกับผมมากมายเหลือเกินอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลยแล้วทำไมต้องถวายมากมายอย่างนี้อัตมาให้โยมแค่พันเดียวใครไม่รู้ เขาจะหาว่าอัตมาค้ากำไรเกินควรท่านพูดยิ้มยิ้มรู้ว่าต่อไปเศรษฐีผู้นี้จะร่ำรวยยิ่งกว่าเศรษฐีที่นิมนต์ท่านไปดูบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเขาเป็นคนมีกระตันยูกะตะเวทิตาธรรมประจําใจนั่นเองผมเห็นจะต้องกราบลาก่อนละครับอ๋อ พัญญาผมฝากกราบน้ำมส ก, การหลวงพ่อด้วยโอกาสหน้าเขาจะมาเข้ากรรมาฐานครับอัตมายินดีต้อนรับแล้วโยงมาอย่างไรละ่ะผมมารถส่วนตัวครับมีคนขับมาด้วยเขารออยู่ที่รถครับถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียกเข้ามาทานข้าวก่อนได้เวลารับประทานอาหารแล้วข้าววัดป่ามะม่วงคลังนะ ใครรับประทานกลับไปรวยทุกคนเอาละญาติโยมไปรับประทานอาหารกันก่อนมีอะไรค่อยว่ากันใหม่ในช่วงบ่ายท่านบอกให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารพวกเขาจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายเพราะอยากรวยด้วยกันทุกคนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลุกจากอาสนะ นำปัจจัยขึ้นไปเก็บวันนี้มีผู้ถวายปัจจัยสองรายคือพันโทมาถวายห้าร้อยอีกรายเป็นเศรษฐีตกยากถวายมาหนึ่งแสนบาทรายแรกถือเป็นของสงฆ์เพราะผู้ถวายมิได้ระบุว่าถวายส่วนตัวเหมือนรายที่สองปัจจัยส่วนนี้จึงเป็นของกลางที่ท่านจะนำไปใช้จ่ายในกิจการของสงฆ์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 ท่านพระครูลงรับแขกอีกผู้คนมากันแน่นกุติยิ่งกว่าช่วงเช้าเจ้าทุกได้แรกของช่วงบ่ายเป็นบุรุษวัยห้าสิบเศษเข้ามากับสตรีสองคนบุคคลทั้งสามกราบท่านพระครูและบุรุษนั้นจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับผมชื่อวันชัยเคยไปฟังหลวงพ่อเทศที่โรงงานยาสูบและเดินทางมาส่งหลวงพ่อที่รถตอนหลวงพ่อเทศเสร็จ ท่านพระครูพอจะนึกออกวันนั้นมีคนเดินมาส่งท่านที่รถหลายคนท่านจำไม่ได้ทุกคนกระนั้นก็ถามเขาว่าแล้วยมมากันอย่างไรทานข้าวหรืออย่างเรียบร้อยแล้วครับผมขับรถมากับพัญญาและเพื่อนของเขาครับเขาแนะนำสตรีที่มาด้วยว่าคนหนึ่งคือพัญญาอีกคนเป็นเพื่อนของพัญญา โยมเคยมาวัดนี้หรือเปล่าท่านสมพันธ์ถามไม่เคยครับเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกคือผมมีเรื่องจะกราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อครับที่สาวของเพื่อนพัญญาผมกำลังป่วยหนักอยู่ห้องไอซโรงพยาบาลสิริราชหมอบอกว่าไม่รอดแน่พัญญาจึงพาเพื่อนเข้ามาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าจะมีทางใดบ้างที่จะช่วยชีวิตพี่สาว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 หมอบอกให้ดิฉันทำใจแต่ดิฉันทำใจไม่ได้ค่ะแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาจนได้ตอนนี้เขาอายุเท่าไรหร่58ค่ะแก่กว่าดิชันสองปีหลอนตอบโยมมีรูปถ่ายของเขาหรือเปล่าเพื่ออัตตมาจะบอกได้ว่าเขาหมดอายุหรื อ, อยัง เพื่อนของพัญญาในวันชัยรีบเปิดกระเป๋าถือหยิบรูปของพี่สาวส่งให้ท่านสมภารวัดป่ามะม่วงรับภาพนั้นมาดูแล้วพูดว่าอาตมาดูหน้าแล้วเขาจะต้องตายเมื่ออายุเลยหกสิบไปแล้วห้าสิบปดยังไม่ตายเอาอย่างนี้อาตมา จะเจรจาต่อรองกับพยายมรราชดูท่านชื่อท้าวเวสสวรรค์อัตมารู้จักกับท่านตอนรถคว่ำคอหักท่านเพ่งไปที่รูปถ่ายประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงหลับตาทำปากขมุขมิบญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นั้นต่างพากันคิดว่าท่านบริกรรมคาถาหากความจริงท่านกําลังเจรจาต่อรองกับพยายมรราช ท่านท้าเวสวร์โยมคนนี้เขายังไม่สิ้นอายุทำไมเขาจะต้องตายละ่ะอัตมาดูหน้าเขาแล้วเขายังไม่สิ้นทั้งอายุทั้งกรรมแล้วทำไมจะต้องตายพยายามราชตอบว่าพระคุณเจ้าเคยได้ยินอุปัชเชธะ ก, ะกรรมไหมโยมคนนี้ต้องตายด้วยอุปัชเชกะกรรม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 พระคุณเจ้าบอกเขาก็แล้วกันว่านอกจากเจริญพระกรรมฐานแล้วต้องทําบุญต่ออายุทุกปีเหมือนที่พระคุณเจ้าทําอยู่ผิดสัญญาเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นผมจะให้ยมมาทูตไปเอาตัวมาท่านพระครูลืมตาคืนรูปให้เพื่อนของพัญญาในวันชัยและพูดว่าอัตมาเจรจาขอต่ออายุให้เขาแล้วพญายมราชบอกว่า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 เอาละเรื่องลูกสาวไม่เป็นไรเขาหมดกรรมก็จะกลับมาเองท่านรู้ว่าลูกสาวของบุรุษผู้นี้เป็นเด็กใจแตกหนีไปอยู่หอพักกับเพื่อนผู้ชายเพลิดเพลินในการมคุณจนลืมพ่อแม่อีกนานไหมครับกว่าเขาจะหมดกรรมอีกสองปีท่านพระครูตอบท่านเห็นว่า เด็กสาวผู้นี้เมื่อถูกเด็กหนุ่มเบื่อและไล่ให้ออกไปจากชีวิตของเขาหล่อนก็จะหาเพื่อนชายคนใหม่ต่อไปอีกเพราะกำลังหลงดะเริงในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสผมจะมีทางช่วยลูกได้ไหมครับคือช่วยให้เขากลับมาเร็วขึ้นเขาจะกลับมาภายในสามเดือนถ้า ย, ยมกับพวกบ้านช่วยกันสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืน นี่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ท่านหยิบหนังสือสวดมนต์ส่งให้และอธิบายว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาโยมคนหนึ่งเขามาบอกว่าลูกชายหายไปหลายปีแล้วอาตมาก็เลยแนะนำให้เขาไปขอลอกบดมหาเมตตาใหญ่ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุทัศน์ท่านพิมพ์ไว้ มีที่นั่นแห่งเดียวที่อื่นไม่มีเขาก็เชื่ออัตมาสวดได้สามเดือนลูกชายก็กลับเขาเกิดศรัทธาจึงพิมพ์มาถวายอัตมาห้าร้อยเล่มอัตมาก็แจกญาติโยมไปหลายคนแล้วถ้าลูกสาวผมกลับมาภายในสามเดือนผมจะพิมพ์มาถวายหลวงพ่ออีกห้าร้อยเล่มครับ คนลูกสาวหายประวรณาท่านพระครูจึงเล่าถึงความเป็นมาของบทสวดนี้ให้ญาติยมฟังว่ามหาเมฆตาใหญ่นี้เป็นบทสวดมนของเทวดาคือพวกเทวดาเข้าสวดกันที่อัตมารู้เพราะเมื่อก่อนมีแม่ชีรูปหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่ศาลาการปรเรียนหลังเก่า โน้นหลังโน้นท่านชี้ไปที่ศาลาการประเร็นหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ชีก็มาบอกอตมาว่าเทวดามาชวนสวดมนต์ทุกคืนเทวดามาตอนไหนโยมรู้หรือเปล่าท่านถามบุรุษที่มีลูกสาวใจแตกไม่ทราบครับ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 สมพน์วัดป่ามะม่วงแก้ต่างให้แม่ชีก้อนทองปานเนนผู้ซึ่งลาจากโลกไปหลายปีแล้วหนูก็ไม่ได้หมายความว่าแม่ชีโกหกแต่อาจเป็นไปได้ว่าแกอาจจะแก่จนหลงเลยพูดอะไรไปตามเรื่องถึงแม่ชีจะแก่แต่ก็ไม่หลงทำไมถึงไม่หลงรู้ไหยเพราะแม่ชีเขาจเจริญสติปัฏฐานสี่ คนที่จเจริญสติอยู่เป็นนิดจะไม่หลงลืมจะสติดีไม่ฟั่นเฟือนเลื่อนลอยท่านถามเองตอบเองเสร็จหลวงพ่อทราบได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่แม่ชีพูดเป็นความจริงหญิงสาวยังอยากเอาชนะหล่อนหารู้ไม่ว่าไม่มีใครในโลกที่จะเอาชนะท่านพระครูจเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงได้อัตตมา ก็พิสูจน์น่ะสิพิสูจน์ด้วยการย่องมาแอบอยู่ใต้ทุนศาลานึกเสียวๆอยู่เหมือนกันหลวงพ่อกลัวผีหรือคะหล่อนเข้าใจว่าท่านคงกลัวผีอัตมาไม่กลัวผีแต่นึกเสียวๆกลัวแม่ทีจะปัสวะมรดศีษะเพราะไปซุ่มอยู่ใต้ทุนศาลามืด คำตอบของท่านทำให้คนฟังหัวเราะทั้งกุติและแม่ชีปัสวะลงมาหรือเปล่าครับปุรุษหนึ่งถามขึ้นเปล่าอัตมาคิดมากไปเองแต่อัตมาได้ยินเรื่องที่เทวดาคุยกับแม่ชีนะได้ยินหมดแล้วก็กลับไปจดไว้ว่าจะจริงตามนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าจริงทุกเรื่อง เท ว, วดาบอกแม่ชีว่าถ้าบ้านไหนเจ้าของบ้านสวดมนต์ทุกวันเท ว, วดาจะรักษาและมาช่วยสวดมนต์ด้วยอัตมาก็เลยถือโอกาสถามเท ว, วดาบ้างถามว่าทำไมวัดหลวงพ่อโสธรได้เงินมากทำไมวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดเกศชัยโย วัดพระนอนจักรสีทำไมถึงได้เงินน้อยกว่าวัดหลวงพ่อโสธรเทวดาตอบว่าหลวงพ่อโสธรมีเทวดารักษาสิบหกองส่วนวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดเกศชัยโยวัดพระนอนจักสีมีเทวดารักษาแค่สิบองควัดเขาตะคราววัดบ้านแหลมก็มีสิบองค์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 เจ้าของบ้านเป็นคนจิตใจไม่ดีไม่มีศีลธรรมเทวดาผ่านจะเข้าบ้านผัวเมียจะทะเลาะเบาะแวง้งแตกแยกกันถ้าเทวดาตรงแยกย้ายออกไปเทวดาใหม่ยังไม่เข้ามาผัวเมียที่ไม่เคยทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันบางทีก็ตายคนจะตายเขาจะไม่มีเงาหัว ถ้าญาติโยมเห็นใครไม่มีเงาหัวต้องต่อหัวให้เขาต่ออย่างไรครับปุรุษหนึ่งถามอย่างสนใจต่อด้วยการพูดว่าสัมปติฉามิถ้าพูดแล้วมีเงาไม่ตายแต่ถ้าไม่มีเงาตายแน่นอนอัตมาพิสูจน์มาแล้วแม่ทีที่เทวดามาสวดมนต์ด้วย ชื่อแม่ทีก้อนทองปานเนนตอนหลังหลานมารับไปอยู่ด้วยหลานของแก่มาเล่าให้อัตมาฟังว่าแกตายไปเจ็ดวันตัวยังอ่อนแล้วก็ไม่เคยหลงเพราะเจริญสติปัฏฐานสีเทวดาบอกว่าบทสวดมหาเมตตาใหญ่มีที่วัดสุทัศน์แห่งเดียวอัตมาก็ไปขอยืมมา เพื่อทดสอบแม่ชีอัตมาเปิดหนังสือแล้วบอกให้แม่ชีท่องแม่ชีอ่านหนังสือไม่ออกก็ท่องไปช้าช้าใช้เวลาสามชั่วโมงจึงจบไม่ผิดซักตัวเดียวก็สรุปว่าเทวดามีจริงบทสวดมนต์มหาเมธตาใหญ่มีจริ ง, รรงแล้วอัตตมาก็ให้คนที่ลูกหาย ผัวหายเมียหายสวดบทนี้ก็ปรากฏว่าได้ผลทุกรายแต่ก็มีข้อแม้ว่าอาตมาต้องดูหน้าก่อนว่าคนนี้กุศลพอไหมถ้ากุศลไม่พอก็ไม่แนะนำให้สวดถึงแนะนำไปเขาก็ไม่สวดเพราะเขาไม่มีกุศลอยู่เลยต้องมีกุศลอยู่อย่างต่ำหกสิบเปอร์เซ็นต์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 ก็ให้คำปรึกษาแก่ญาติโยมต่อไปจนถึงคนสุดท้ายโยมสุนีแอบซุ่มดูลาดเรลาอยู่ครั้นเห็นคนอื่นๆลุกออกไปหมดแล้วจึงเข้ามากราบอ้าวโยมมาตั้งแต่เมื่ อ, อไรท่านเจ้าของกุฏิทักทายด้วยการถามนายสมชายตอบแทนว่าเจ๊เข้ามาเป็นชั่วโมงแล้วหลวงพ่อมมวคุยเพลินไม่ทันสังเกตหลวงพ่อขายดีจังนะคะ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 จานแรกทานเพราะหิวส่วนจานที่สองทานเพราะอยากรวยก็หลวงพ่อบอกว่าใครกินข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยทุกคนยังรวยไม่พออีกหรือท่านตั้งใจประชดเกือบพอแล้วคะ่ะได้อีกสักห้าร้อยล้านว่าจะพอตอบประชดเช่นกันจากนั้นจึงหยิบกล่องกามี่สีเขียวออกมาถวายท่านพูดว่า หรือพ่อช่วยดูแหวนวงนี้ให้หนูหน่อยเหี้ยเขาทำให้เป็นของขวัญมันเกิดหนูราคามันแพงเกินหนูเลยไม่กล้าใส่ท่านพระครูปเปิดกล่องออกดูแหวนมรกตล้อมเพชรส่องประกายวาววับแม้ท่านไม่สนใจยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องยอมรับว่างามมากสวยดี น, นี่จะถวายอาตมาหรือท่านตั้งใจยั่ว ถ้าหลวงพ่อจะเอาไปมั่นผู้หญิงหนูก็จะถวายแต่ถ้าไม่มั่นหนูก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันวันหลังจะมาเอาคืนอย่าเลยอาตมาจะไม่อยู่หลายวันจะไปอินเดียท่านปฏิเสธไม่เป็นไรหลวงพ่อเอาใส่ ย, ย่ามไปด้วยก็ได้ถ้าหายหนูก็ไม่ว่าจะดีหรือเอาคืนไปดีกว่า ท่านไม่อยากรับของมีค่าไว้วันหลังหนูค่อยมาเอาคืนงั้นหนูกราบลาพูดจบก็กราบสามครั้งแล้วลุกออกไปท่านพระครูยังนึกคำพูดไม่ออกว่าจะบอกโยมสุนีว่าอย่างไรเจ้าของแหวนก็เดินไปที่รถแล้วท่านจึงคิดว่าจะเก็บไว้ที่กุฏิจะไม่นำไปอินดีด้วยกำลังจะขึ้นไปชั้นบนนางสาวต้นหลิวก็เข้ามากราบ หลุงพ่อนั่นกล่องอะไรสวยจังหนูขอดูหน่อยท่านพระครูจึงวางกล่องการรมยีหลงตรงหน้าหล่อนหญิงสาวเปิดออกดูถึงกับตาลุกวาวโอ้โหสวยจังหลอนถือวิสาสะหยิบออกมาสวมที่นิ้วนางแหมพอดีเลยหลุงพ่อขอหนูได้ไหมหล่อนขอเอาดือด้อไม่ใช่ของหลุงพ่อโยมเขามาฝากไว้ ท่านพระครูตอบตามจริงรู้สึกสังหรใจว่าโยมสุนีจะไม่ได้ใส่แหวนวงนี้งั้นหนูขอยืมเอาไปใส่ก่อนวันหลังจะเอามาคืนหล่อนพูดแบบคนมักง่ายมักได้